สันติรณะกติรณะปริญญานะสับมันคล้ายๆกันแต่ว่าโคนละชาติคละทวารนกนการพิจารณานี่ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนถ้าอารมณ์ที่ไปรับมาถ้าเป็นอิทถารมน์กก็เป็นโสมนัสสันติรณะถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็น อิทธารมแต่ว่าเป็นอิทธารมแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ดีไม่ได้พิเศษอะไรอันนี้เป็นอุเบกขาเวทนานี่นนะมันก็อันนี้หาหน่ น, นะทั้งหมดมีอยู่แปดดวงน่ น, นะอุเบกขา อ, อาเหตุกะกุศลวิบากทั้งหมดมีอยู่แปดวง ส่วนอเหตุกะกิริยาสามก็คือปัญจทวาราวัชนะน่นะอย่างหนึ่งสองก็มโนทวาราวัชนะสามก็หาสิหาสิตะนี่แปลว่ายิ้มเนี่ยนะกับอุ ป, ปาทะ หสิตุ ป, ปาทจิตเนี่ยนะก็หสศิตะแปลว่ายิ้มบวกอุปาทะเนี่ยนะจิตที่สักว่าเกิดการยิ้มขึ้นของพระอรหันเนี่ยนะคือทำให้จิตตะชรูปทำให้สีหน้าเบิกบานยิ้มยิ้มเท่านั้นเองเนี่ยนะรู้ว่าท่านโส ม, มนัตต์นะถามว่าเมื่อไรเช่นเห็นเปรตแล้วท่านยิ้มยิ้มหม้ยก็ว่าเออพ้นสภาพอันนี้แล้วเนี่ยนะถ้าเห็นคนแขนกุดขาพิการหรือ เงิน ว, นว่าเห็นคนมีคันก็ บ, บอกว่าทอนแบบนี้แล้วเนี่ยไงของเราเนี่เห็นก็ยังไงสะดุ้งหรือเปล่าของเรามันอแล้วตอนสะดุ้งแล้วสะดุ้งแบบยานะหรือแบบยังไงหรือโทสะคุย แ, แต่กับคนเก่งเลย45แล้วไม่เอาล้ <c oughs> อะไร รวนะรว ม, รว ม, รวมทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าอาหตตกาจิตสิบแปดนั่นนะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะเฉพาะกระดานนี้แปลว่าจำให้ได้เนี่ย น, นะไม่ท่องก็ได้ใครกลัวท่องก็ไม่ต้องท่อ ง, องแต่ว่าต้องจำส่วนไม่จาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรของมาก็ไม่ว่าอะไรอยู่ลนะ เพราะว่าสอนทีก็ได้บุญทีแต่ว่าไม่ค่อยสอนหลายที <c oughs> ทีนี้ถ้าการพิจารณาอาเหตุตุกจิตเนี่ยนะที่จะทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นอ น, น้นก็ าการทรงจำชะชะกะสูตรนี่ดีเนี่ยนนะชะชะกะสูตนะจำให้ได้คุณเฉลิมก็ไปหาถ่ายเอานะจากเล่ม23นะสูตรเนี่ยนะสูดเดียวก็ค่าถ่ายเอกสารสัก10บาทได้นะก็ไปท่องเลยสูตรนั้นเนี่ยนะคือเป็นสูตรที่ใช้บ่อยเพราะว่าเป็นเป็นถือว่าเป็นสูตรพื้นฐานของการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะ เพราะว่าถ้าการเรียนอภิธรรมโดยที่ไม่ไม่อาศัยพระสูตรมาเป็นเข้าเป็นโครงอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่ายากมา ก, ก น, นะเพราะว่าเราจะจำแล้วก็จำได้แต่ตัวเลขพอจำตัวเลขได้เสร็จแล้วก็ก็ไม่รู้จะเอามาใช้อะไรเน่นะนะเพราะฉะนั้นเรียนจบก็ต้องไปไปไปไปไ ป, ไปศึกษาใหม่ว่าไอ้เข้าปฏิบัติอะไรกันเนี่ยนะกนะ็ ไปบอกให้เขาบอกว่าคุณมากำหนดไอสิ่งที่คุณเรียนซะนะก็ไปหาคนมาบอกอย่างนี้แบบทีหนึ่งแค่นั้นนะ่ะเนี่ยนะพันพื้นฐานในฉะจักกสูตรก็มีนะคำว่าฉะแปลว่าหกเนี่ยนยะฉักะแปลว่าหมวดหกเนี่ยนะสูตรก็ไม่ใช่พระวินยัยไม่ใช่อภิธรรมเรียกว่าพระสูตร ท่านฉะฉักกสูตรนี้แปลว่าสูตรที่กล่าวถึงธรรมะหมวด6อยู่6หมวดด้วยกันเนี่ยนะธรรมะหมวดหแปลว่าธรรมะพูดอะนะธรรมะหข้อแสดง6ครั้งนะแปลอย่างนี้ก็ได้6ข้อแสดง6ครั้งก็เท่ากับ6กคูณหเท่ากับเท่าไหร่สานะ 36ก็ประกอบไปด้วยทวารหอารมณ์หอะไรวิญญาณหกภาษะหเวทนาหเนี่ยนะอะไ ร, ะไรตัณหาหเนี่ยนะคือถ้าพื้นฐานเรียนฉะฉักกะสูรหรือคิดฉะฉักกะสูก่อนการพิจารณาอาเหตุตุกจิตเนี่ยจะง่ายเนี่ยนะ ในบรรดาทวาร6เนี่ยนะขึ้นต้นด้วยหนึ่งอ่า น, นะอาศัยจักขู่เนี่ยนะคือตาเนี่ยนะอารมณ์ก็ต้องเป็นรูปถ้าจักขู่กับรูปเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะอาศัยจักสุกกับรูปอะไรผลออกมาคืออ่า น, นะจักขู่วิญญาณถ้าทั้ง3าอย่างเนี่ยรวมกันเรียกว่า จักขู่สัมผัสเนี่ยนะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดชื่อเต็มๆ เ, เรียกว่าจักขู่สัมผัสชาเวทนาแต่ชื่อย่อยๆก็คือเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยนะ อันนี้หมวดที่หนึ่งก่อนนะหมวดที่หนึ่งจักคูรูปทําให้เกิดจักคูวิญญาณอันนี้จักคูวิญญาณอันเนี้ยที่พูดในอหติตกจิตเนี่ยนะจักคูรูปเกิดจักคูวิญญาณแต่ถ้าจะเขียนให้เห็นชัดก็จะในแง่ของปัจจัยต้องเขียนตรงนี้เนี่ยนะ เพราะไรเพราะว่าจักรคในฐานะเป็นวัตถุนะวัตถุแปลว่าที่อาศัยเกิดเนี่ยนะจักรคูวิญญาณในจักขคูภาษาท่อันนี้หมายถึงรูปนะเป็นที่อาศัยเกิดของจักรคูวิญญาณส่วนสีในฐานะเป็นอารมณ์ของจักรคูวิญญาณเมื่อกี้นี้พูดถึง อ, อาเหตุกะกิริยา3ดวงนะใช่ไหม เหตุการกิริยาคือปัญจทวารวชนะหนึ่งมโนทวารวชนะหนึ่งและหัสิตุปาทจิตหนึ่งก่อนที่จักขูวิญญาณจะเกิดเนี่ยนะมีจิตที่อาวัชนะถึงอารมณ์ก่อนอันนั้นเรียกว่าจักขูทวารวัชะเนี่ยนะถ้าเรียกเต็มเต็มยศเขาเลยเรียกว่าปัญจทวารวชนะถ้าเรียกเฉพาะทวารเรียกว่าจักขูทวารวชนะเนี่ยนะ ถ้าเยเอนะอาศัยจักรคู่กับรูปเกิดจักรคูวิญญาณเนี่ยนะจักรคูวิญญาณก็เกิดส่วนภาษะอันนี้ก็เป็นภาษาที่เกิดร่วมกับจักรคูวิญญาณนั่นแหละทีนี้เมื่อจักรคูวิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่อะไรเนีย่ยนะสัมปติชนะจิตก็สัมปติชนะที่เป็นอกุศลมิบากด้วยกันนะ ถ้าจักขูวิญญาณเป็นอกุศลมิบากสัมปติชนะจิตก็เป็นอกุศลมิบากแล้วต่อด้วยสันติระณะจิตเนี่ยนะสันติระณะจิตถ้ากล่าวอย่างนี้เขาเรียกว่ากล่าวตามกิจเนี่ยนะถ้าถ้าเรียกตามกิจนะเรียกกิจก็คือหน้าที่จักขูทวาราวัชนะชื่อว่าอาวัชนะกิจ าจานจักคูวิญญาณเรียกว่าทัศนกิจสัมปติชนะกิจอย่าง น, น, น, นี้ก็สันติรณกิจ น, นส่วนถ้าเรียกตามชื่ อ, อชื่อจักคูทวาราวัชนะเนี่ยชื่อเต็มเรียกว่า กิริยามโมธาต์เนี่ยนะสัมปัญจะจัคคูวิญญาณเนี่ยนะชื่อเขาเรียกว่าจัคคูวิญญาณจัคคูวิญญาณธาตุก็ตรงๆส่วนสัมปติชนะชื่อเขาว่าวิบากมโมธาต์เนี่ยนะส่วนสันติรณะนะเรียกว่า วิบากมโนวิญญาณธาตุเนี่ยก็ความหลากหลายหรือความพิเศษเราเนียเป็นไปตามชื่อถามว่าก็มันง่ายๆอยู่แล้วนะทำไมจะต้องใส่ชื่อให้มันเยอะแยะการใส่ชื่อต่างๆเนี่ยถามว่าเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยนะ มันดียังไงคุณวิลาวันอ๋อใช่เงนินเลยเพราะว่าการเรียนตามแนวพระไตรปิฎกอัตถกถ า, าดีกาเนี่ยนะมันจะต้องเอาชื่อเหล่านี้ไปใช้หมดเลยถ้ากล่าวในแง่ว่าจิตทั้งหมดนะจกักขุทวาราวัชนะจกักขุวิญ ญ, ญาณสัมปติชนะสันติรณะอันนี้เขาเรียกว่าพูดโดยขันในแง่วิญญาณขัน ถ้าบอกว่านี้เป็นกิริยามโนธาตุนี้เป็นวิบากมโนธาตุนี้เป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุตุกะเนี่ยนะวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอเหตุตุกะด้วยนะอันนี้เพื่อจะอธิบายเรื่องอะไรเรื่องธาตุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พูดเรื่องธาตุเรื่องขันพร้อมกันเนี่ยทีนี้การกล่าวโยงเนี่ยนะ กล่าวโยงว่าอะไรเป็นปัจจัยอะไรนี้ก็กล่าวปัจจัยหรือปฏิจจสมุปบาทพร้อมกันเนีนะ่ยคือมันจะไปทำให้เป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่ อ, อวิชาอื่นๆพระธรรมหมวดอื่นๆด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็พอได้นะย้อนอีกครั้งหนึ่งถ้าจะเรียนฮัิตุปะอ เฉพาะอากุศลวิบากก่อนนะทวนอีกครั้งอกุศลวิบากทั้งหมดมี7 1. นะนจักขูวิญญาณ 2. โสตะวิญญาณ 3. าคานะวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. ากายะวิญญาณน่ ก, ก็สมปฏิชจชนะ เสันติรณะเนี่ย น, นะก็จิตเดวงทีนี้จิตเดวงนี้ถ้ามากล่าวตามระบบนั้นอ่ะนะสันติรณะจะเป็นดวงนี้อันนี้จักรคูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเท่ากับยกจักรคูวิญญาณหนึ่งสัมปติชนะหนึ่งสันติรณะหนึ่งมากล่าวกล่าว3าดวงเนี่ยนะ ซึ่งจิตเหล่านี้ที่เป็นอหตตกะหมายคำว่าไงคุณลาวันวใช่คือไม่มีโลภะเกิดเลยไม่มีโทสะเกิดเลยไม่มีโมหะเกิดร่วมเ่มเลยไม่มีอโลภะเกิดในจิตดวงนั้นไม่มีอโทสะเกิดในจิตดวงนั้นไม่มีอโมหะในจิตดวงนั้นถ้ากล่าวสัมนวน ปัจฐานเรียกว่าไม่มีเหตุตปัจจัยอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากเหตุตปัจจัยเนี่ยนะแต่ถามว่าแล้วมันไม่เกี่ยวกับปัจจัย23ที่เหลือหรือบอกว่ามีแต่ไม่มีเฉพาะเหตุปัจจัยที่กำลังพูดตรงนี้เหมงนันเถอะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแยะเนี่ยนะ ทีนี้เราเรียนจากขวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะจิตสามดวงนี้ในฐานะอะไรอาุศลวิบากเมื่อเป็นอาุศลวิบากนั้นต้องหมายถึงว่าเกิดจากเกิดจากกรรมันความเข้าใจในเรื่องกรรมนี้ถือว่าเป็น อ่าเป็นเหตุหรือเป็นธรรมะที่สําคัญมากเนี่ยนะอ่าตรงนี้เนี่ยเราเพียงแต่นิยามบอกว่าจักรคูวิญญาณสัมปติชนะสันติระณะเป็นผลของกรรมแต่เรายังไม่ได้ไปพูดที่ที่เหตุอะไรเลยเนี่ยนะพูดในฐานะอันนี้เป็นเป็นผลของกรรมเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามามองที่เหตุบ้างเนี่ยนะอันนี้ชาติวิบากก่อนนะ ถ้าใช้คำว่าวิบากมันเป็นนิยามที่เน้นอย่างหนึ่งว่าเฉพาะนามธรรมเนี่ยนะปกติแล้วเขาอนานักขณิกกรรมเนี่ย น, นะมันจะให้ผลเป็นสองอย่างคือกระตัตตารูปกับวิบากถ้าวิบากนี้หมายถึงจิตและ เจตสิกเนี่ยนะมันจะให้ผลออกมาสองอย่างเนี่ยคือวิบากกับกตัตรารูปฮัลสับว่าวิบากเน้นเฉพาะใช้เฉพาะนามธรรมาอย่างเดียวไม่ได้ไปที่รูปประธรรมกระตัตรารูปเป็นศัพท์อีกคําหนึ่งที่ใช้แทนคําว่ากรร ม, มชรูปเนี่ยนะพระไตไปิฎกอัตถกถาดีกาจะนิยมใช้ว่ากระตัตรารูปเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้นตัวนานักขัคณิกกรรมที่มาให้ผลเป็นวิบากคือจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยนะก็มาแบ่งตามว่ามาแบ่งตามกรรมที่ชาวณทำขึ้น นะชาวนะดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หและดวงที่เจดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าชาวนานะหนึ่งเจชาวนะดวงที่หนึ่งสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดจากคูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะได้หมดเลยที่เป็นทิฏฐธรรมนะที่เป็นทิฏฐธรรมอ่ะ ถ้าเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้เป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมเนี่ยนะทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมคาว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมนี่หมายถึงชาวนะที่ให้ผลได้ในชาตินี้นิยามเขาถ้าทาสมมุนะถ้าทำกรรมตอนเด็กให้ผลได้ในตอนเด็ก กลางคนกับปลายคนถ้าทําทําในตอนที่เป็นตอนกลางคนนะนให้ผลตอนกลางและตอนปลายถ้าทําในตอนปลายสามารถให้ผลได้ในตอนปลายที่เหลืออส้สิเขาจะให้ผลได้เฉพาะชาตินี้อย่างเดียว